สำหรับความกว้างขว า, วางและมีมากมายของสัตว์โลกที่เป็นไปด้วยความรุ่งหลงผู้ที่รู้คือสามารถเอาตนรอดพ้นไปได้ก็มีจำนวนเท่าฝ่ามือเสน่หคำว่าทวามหลงเพียงคำเดียวเท่านี้มันถูกกับทุกรูปทุกนามบรรดาสัตว์และบุคคลที่มีมิญญาณเขา เทือนไปทั่วโลกกระถางรวมแล้วทั้งสามโลกกระถางเป็นที่อยู่แห่งความแห่งสัตว์ผู้ลุ่มหลงทั้งนั้นผู้ที่รู้จริงๆไม่อยู่สัตว์โลกจึงอยู่ด้วยความหลงไม่ว่าท่านว่าเรามีจํานวนมากอย่างไรเราไม่อา จ, จนับได้ทั้งที่เป็นรูป ก, กลางมองเห็นด้วยตาเนื้อทั้งที่ไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อ ก็อยู่ในอำนาจแห่งความหลงเป็นสิ่งครอบคราไว้และผู้ที่จะมาแนะนำสั่งสอนให้อุบายวิธีการแก้ความหลงนี้ก็มีน้อยมากข้งแรกก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทราบเรื่องความุ่มหลง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 ได้รับฟังก็เกิดความเชื่อความสงสัยประพุตปฏิบัติตาม พ, พระองค์ท่านงิงกายเป็นผู้รู้ขึ้นมาโดยลำดับลำดาที่เราให้นามว่าสาวกอรหันท่านนะเป็นลำดับมาเช่นนี้และท่านหลังนั้นค่อยปริปริพานไปเรื่อยๆมิร่วงโรยไปโดยลแดบบับมีความมืดมิดปิดตาก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้น ทั้งโลกเต็มไปด้วยความหลงผู้ที่จะมาชี้แจงสั่งสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงในความหลงทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีก็จะแล้วทนะัโลกนี้จึงอยู่ด้วยความมืดมิดปิดตากันถึงจะมีหูตาสว่างอยู่ก็สว่างไปตามเรื่องของโลกไปเสียไม่ใช่สว่างด้วยความจริงคือรู้จริงเห็นจริงดังพระพธธุทธเจ้าในสาวก มันก็เลยกลายเป็นหูหนาตาเถื่อนคำว่าเถื่อนก็คือปลอมตามีอยู่ก็ปลอมหูมีอยู่ก็ปลอมผือรับทราบได้ได้ยินแต่สิ่งที่จะสิ่งที่จอมปลอมเข้ามาแทรกซิ่งแทรกซิ่งจิตใจของเราให้มือ่อยมิขึ้นไปโดยลําดับเพราะการได้เห็นการได้ดันได้ยินเป็นต้นเรื่อยมาสิ่งที่แสดงออกทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่จะให้หลง ธรรมชาติของจิตก็มีความรุ่งหลงอยู่อย่างเต็มตัวอยู่แล้วก็ยิ่งเข้ากันได้ง่ายความจริงจริงแทรกเข้าไปได้ยากเพราะฉะนั้นการประึกปฏิบัติธรรมหรือการสัง่งธรรมซึ่งเป็นความจริจรงจิตจินฝืนเสมอไปแต่สิ่งที่จิตชอบก็คือสิ่งที่เต็มเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่ภายในใจจนมองหาใจไม่เห็นแล้วนั้นที่เรียกว่าของฟอร์มทั้งสิ่ง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 การที่จะปฏิบัติเปิดแก้สิ่งเหล่านี้ออกจากใจจึงต้องฝืนฝืนมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆฝืนมาเป็นลำดับตำดาเพราะเคยถูกถูกมัดมาจา น, นแน่นจนกระดิดตัวไม่ออกและไม่สนใจที่จะกระฉุดลาก ต, ต, ตัวเองออกจากสิ่งนั้นเหมื่อนได้รับการแสดงจากพระพุทธเจ้าหรือได้ดูตามตำลำดับตําลา อันเป็นแนวทางที่ถูกต้องออกมาจากสวดสวดาตธรรมที่หนึ่งมีความสนใจประพฤติปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องฝืนสิ่งอันนี้อยู่เลยดีดังพวกเราประพฤติปฏิบัติอยู่เวลา น, นี้ก็ออกมาจากคนเรื่องใจของคนย่อมเหมือนคนแม่จะออกมาอยู่ในวัดแล้วความรู้สึกอันนั่งเดิมย่อมมีอยู่ภายในใจเสมอคือความขี้เกียจมาก ง, ง่ายความคล้อยตามสิ่งที่เคยคล้อย ควเชื่อสิ่งที่เคยเชื่อย่อมฝังใจอยู่อันนี้การที่จะฝืนสิ่งเหล่านี้ยิ่งเป็นความลําบากลําบนอยู่สําหรับผู้ปฏิบัติแม้จะมีความมุ่งมั่นต่ออัตตาธรรมมากน้อยเพียงไรก็จําต้องได้ฝืนสิ่งที่เป็นฝักเป็นน้ําอยู่ภานในจิตใจของเราโดยอยู่โดยดีการปฏิบัติธรรมยิงเป็นของยากของลําบากเพื่อจะเปิดสิ่งที่ปิดบงังบรรดาจิตใจของเราให้ออกให้เห็นเหตุเผล เห็นต้นเห็นกายเห็นอาดเห็นธรรมภายในจิตใจจนกว่าจะได้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องสนับถืออุ้มจิตใจให้มีกําลังในความสามารถความเชื่อความสงสัยความมุสาพยายามจากนั้นก็ค่อยสะดวกสบายถึงจะยากลาบากผลก็ปรากฏอยู่ภายในใจแล้วก็เป็นเหตุใ้ืนกันไปได้วยความพอใจที่จะเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนความสงบสุขที่เคยมีอยู่แล้วให้มีความสว่างสบายยิ่งขึ้น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 จะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ออกจากใจพอมีทางเล็ดลอดไปได้ตามกําลังขงความสามารถของเราอย่างไรก็อย่าลืมคําว่าพุทธทางพลังกระฉามอะไรก็ตามให้ระลึกถึงนั่นเสมอทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลที่พระองค์ทรงดําเนินมาก่อนแล้วและได้ทรงรับผลมาเป็นที่พอประทยัยจะนํามาประกาศสอนโลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงดําเนินอย่างไร ความทุกข์ควบากกม็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าไปได้ความรู้ความเห็นก็นทรงรู้แจ่มเห็นชัดไม่มีสิ่งใดปิดบังนี้ลับนำธรรมที่เปิดเผย น, นั่นมาสั่งสอนโลกให้เรามีความเปิดเผยไปตามๆพระองค์ท่านคือเรียกว่าตามสเสด็จพระองค์ท่านธรรมังสนังขจฉามิก็ไม่มีอันใดที่จะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าธรรมบรรดาในโลกทั้งสคือการมมรรครูปปาโลกอรูปปาโลก ผนนลแรกตั้งแตเป็นสิ่งกดทวงความหุดพ้นคือความสุกอันเกษมํารานความสุกอันเกษมํารานที่มีใจเป็นคํามนวลนวนันวนน้นท่านเรียกว่าธรรมอันประเสริฐก่อนที่จะได้ครองธรรมเหล่า น, นี้ไดู้้เห็นธรรมเหล่า น, นี้ก็ต้องได้ฝ่าฟืนบึกบืนเต็มกําลังความสามารถด้วยกันแต่จะยากลําบากเป็นไรก็าตามให้ถือว่านี่คืองานเพื่อความ ความก้าวไปให้พ้นจากกองทุกข์ไม่ใช่งานเพื่อความร่มจบเราจะถือความตายลึกความตายมาฝังไว้ในจิตใจในประการที่สมก็ให้เราลึกถึงพระสงฆ์สาวกท่านท่านเป็นคนเหมือนกันกับเราออกมาจากสกุลต่างๆเวลาออกมาท่านก็เป็นคนออกมามาบทเป็นพระแล้วก็คือคนเป็นพระท่านอุตสาห์พยายามดําเนินท่านอย่างไรท่านจึงจะเป็นพระนางข้าฉานิของพวกเรา ท่านก็เป็นคนเหมือนกันทําไมท่านเลิศท่านประเสริฐยิ่งกว่าเราเรายึดนี้เป็นหลักท่านหากว่าท่านไม่มีความมุสาพยายามความปากพื้นท่านจะเป็นผู้วิเศษือโสเพอเป็นชนะของโลกได้อย่างไรเรายึดนั่นเป็นหลักใจจะเอาความตายเข้ามาสังไว้ได้หัวใจทั้งๆทีทท่หัวใจใจคือความรู้นั้นไม่เคยตายเราจะเอาความตายเข้าไปสังไม่ไดใจเราจเอาป่าช้าไปทับถมหัวใจเรา แตทำมองไรก ล, ลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายไม่ทราบว่าความตายมีความหมายกว้างแคบขนาดไหนอะไรเป็นผู้ตายใจเป็นมาอย่างนี้ไม่เคยตายแต่ไหนแต่ไรมาเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ ท, ที่โลกทั้งหลายว่าเกิดว่าตายเปลี่ยนรูปร่างคือตายแล้วก็ไปถือปฏิทิน ญ, ญ, ญาณเอาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆสูงๆต่ำๆรุ่มๆรอนๆตามยถากรรมหรือตามบุญตามกรรมที่ตนได้สร่างสมอารมณ์มามากน้อย ส่วนใเองไม่เคยตายจึงไม่ควรเอาความตายไปผูกมัดกิตใจบุญง่ายๆไม่ปลุกความตายไปแฝนคอหัวใจจะเป็นการการสร้างอุปสรรคสร้างความท้อถอยความอ่อนแอความท่าเปืีนให้แก่ตนแทนที่จะผ่านไปได้ก็กลุความกลัวตายก็ไป ก, กีดกั้นทางเดินเสียก็ไปไม่ได้นั่นสิงไม่มีอย่าไปหาเรื่อ ง, องใส่ใส่ใส่ใสิ่งไม่มี มันเกิดโทษแก่ตนเองคําว่าสิ่งไม่มีคืออะไรคือความตายนั้นอ่ะไม่มีแก่ไม่มีอยู่ในจิตจิตเป็นธรรมชาติไม่ตายแม้จะมีกิเลสทันหาอาสวะปกคลุมอยู่ขั้นมากน้อยเพียงไรก็าตามจิตก็เป็นผู้ทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ไม่ยอมคิดหายสลายตัวไปเพราะด้วยความทิดหายเพราะทุกทข์หลายบีบขั้นทําลายเลยเป็นความรู้อยู่เช่นนั้นเป็นจิตอยู่เช่นนั้นแม้จะตกในนรกอาวจีก็ไม่ตาย หากทนทุกทรมานตามความหนักเบา แ, บบแห่งกรรมที่ตนทํามาเท่านั้นนะแล้วมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามก็คือจิตดวงไม่ตายนี่แหละไปนในขณะนี้ก็อยู่ในธาตุในขันธ์อันที่เราเห็นอยู่นี้ธาตุขันธ์นี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเราจิตมาอาศัยธรรมาชาตินี้อยู่แล้วจิตนี้ก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นการพิจารณาเรื่องทุกมีทุกเวทนาเป็นต้นที่เกิดขึ้นภายในาจิตใจ เวลาจะพิจารณามีทุกเวทนาเป็นต้นแล้วก็กลัวแต่ตายนี่คือสร้างฝากสร้างน้ํามจีดกัน้นทางตัวเดินให้เดินไปไม่ได้ความจริงมีอยู่ไม่ยอมเดินเพราะความหลงบังคับนั่นเองความความหลงบังคับคือความไม่รู้บังคับค อ, อะไรกลัวตายทั้งท้งที่ความตายไม่มีอยู่ภายในจิตแต่ก็กลัวตาย เ, ยเราเคยเชื่อกิเลศคําว่าตายตายนี่มานานแต่ทำอะไรก็กลัวแต่ตายกลัวแต่ตาย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 ร่างกายจะสลายตัวไปที่เรียกว่าตายถ้างิตพิจารณาตามธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ควรจะเอาป่าช้าไปตั้งไวในัยจิตไม่ควรจะเอาปาช้าเอาความเอาความตายเป็นมัดจิตซึ่งไม่ใช่ผู้ตายให้กายเป็นความอ่อนแอทีถอยไปได้นี่คือสร้างความสร้างนหนาไม่อีกกั้นทางตนเองให้หาทางเดินไปไม่ได้ความจริง มีอย่างไรให้พิจารณาลงไปตามความจริงอ้าวทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยภายในธาตุขันจะหมดทั้งตัวเนี่็ให้ทราบว่าทุกข์นี้มีอยู่รอบตัวแต่ไม่ใช่จิตทุกขเวทนาเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาฟังเวทนาอนิจจาคื อ, อยังไงมันมีเกิดขึ้นได้มีตั้งอยู่ได้มีดับมีสลายไปได้เนี่ยมันอนิจจาหรืออนิจจัง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 ถ้าเป็นความฉลาดแล้วจะไม่ไปยึดต้องพิจารณาตามความจริงของมันทุกขนาดไหนรู้ตามความจริงของมันเพราะจิตเป็นนักรู้ไม่มีถอยเรื่องรู้อยู่กับจิดขอใหส้ส่งเสริมสติเป็นผู้ควอมกํากับให้ดีแม้ขณะที่จิตจะดับก็จะไม่เผลอเพราะจะปีกํากับกับจิตจิตทําหน้าที่รู้ความหมายต่างๆหรือพิจารณาแยกแยะต่างๆเรื่องของปัญญาแยกแยะให้เห็นค่าตามเป็นจริงนี่เชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในการเรียนตัวเอง ตามหลักศาสนาที่ใเรียนรู้ตัวเองโลกาเวทูทำไมรู้แจ้งเห็นจริงในโลกในขันนี้แนละ้วจะหมายถึงโลกาเวทูอันใด น, นี้เป็นอันดับแรกทีเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าโลกาเวทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกของพระเจ้าก็ต้องรู้แจ้งธาตุแจ้งขันเรื่องที่เรียกตัญหาสว่นี้โดยสิ่งเชิงก่อนแล้วต้งจะไปรู้สภาพแห่งโลกทั้งหลายทั่วๆไปที่เรียกว่าโลกาเวทูทั่วทวไป คุณสมัติของสาวกในตอนนี้ก็มีได้เหมือนกันเช่นโลกวิทูรู้แจ้งโลกในท่าตในขันของท่านโดยรอบขอขอบคิดไม่มีอันใดเหลือหลอดที่ติดจะติดข้อในสิ่งนั้นแม้แต่น้อยมีเรียกว่าโลกวิทูให้เห็นโลกวิทูภายในท่าตในขันธาตุขันไม่เป็นภัยต่อผู้ใดถ้าความหลงไม่ไปก่อควนไม่ไปก่อเรื่องก่อราให้มาเป็นภัยแต่เดิมไม่มีอะไรเป็นภัยทุ ก, ก็ไม่เป็นภัยแก่ภัยเป็นความจริงของมันอย่างหนึ่งเท่านั้นทุกเวทนาพิจารณาลงให้เห็นชัด จีดเป็นรนากเป็นสาระสําคัญภายในตัวอยู่เองทำไมยึงไปไปหลงไปลงมายไปจับนั่นคว้านี้ให้เอาสิ่งนั้นมาเผาตนเองทุกตัวเขาเขาก็ไม่มีความหมายอะไรเช่นเดียวกับไฟมันจะก่อสูงเกินเปลวมันจุดฟ้าก็ตามถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้งของกับมันเราถอยตัวให้หา่างนั่นก็มีแต่สภาพเปลวไฟเท่านั้นไม่สามารถที่ยังความมุนรานให้มาสู่ตัวเราได้แต่ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้งของกับไฟไฟต้องเผาแน่ๆมีทุกเวทนาเหมือนกัน มันเป็นความจริงอันหนึ่งของมันที่แสดงอยู่ภายในร่างกายของเราเนี้เมื่อกิจของเราก็รู้ด้วยสติปัญญาพิจารณาสิงเหล่านี้ให้เป็นไปตามความจริงอยู่แล้วสภาพความร้อนที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของเวทนานั้นก็ไม่สามารถที่จะผเผาจิตใจของเราให้เดือดร้อนไปตามด้วยได้เลยมีชื่อว่าเรียนทำรรเวทนาก็เป็นธรรม สัญญาก็เป็นธรรมสังขารก็เป็นธรรมวิญญาณก็เป็นธรรมรูปกายนี่ก็เป็นธรรมถ้าเราเป็นธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมหมดถ้าเราเป็นผู้หลงเป็นอาธรรมโง่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นฆ่าขืนต่อเราได้นี่ตามหลักธรรมบุพุทธเจ้าเราจะเชื่อก่เลสทันหาสวะหรือจะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อก่เลสอัตถาสวะอันนี้เหล่านี้นี่เป็นตนหมดฮะบูคก็เป็นตนเมตนาเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นราว วิญญาณเป็นเราอะไรอไรเป็นเราหมดา็โลกสองสารเป็นเราหมดก็สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงย้าย้าไปบ้างเล็ก น, น้อยใจหายไปเลยเป็นทุกข์นั่นนี่แหละเครื่องก่อควรเครื่องทําลายเกิดขึ้นจากความสําคัญของจิตด้วยความนุ่มหลงว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราอะไรเปลี่ยนแปลงไปน้อยจึงเหมือนกำว่มามับฟันหัวใจเราให้ขาดทลายไปด้วยกันเป็นทุกไปหมดนี่ถ้าเรื่องของธรรม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 ขอให้จ <necessary. S 2> ิตของเราพิจารณาเห็นตามความจริงจิตเข้าเป็นกลางได้เมื่อจิตเป็นกลางจิตก็เป็นความจริงขึ้นมาเมื่อจิตเป็นความจริงขึ้นมาสิ่งนั้นก็เป็นความจริงเพราะสิ่งเล่านั้นเป็นความจริงมาแล้วตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นเพียงเราหลงไปสําคัญมั่นหมายเท่านั้นนี่คือหลักธรรมเห็นตามความจริงความตายตัดออกอย่าให้เข้าไปแทรกสิ่งจิตได้จะการเดินความทอดทอยและล้มละลายไปได้เพราะคําว่าความตายนั้นเป็นสิ่งจอมปลอมที่สุดที่กิเลสมันเสพสัน หลอกลวงลงมาเป็นเวลานานทั้งๆที่จิตไม่ตายแลย้วยาลัวตายไปทําไมถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมแล้วจะกลัวตายไปหาอะไรอะไรตายไม่มีอะไรตายจิต ก, ก็เป็นจิตจิตเป็นจิตมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ก่อพบก่อชาติที่ไหนก็มีแต่เป็นเปลี่ยนหน้าไปตามกรรมวิบากเท่านั้นส่วนจิตไม่ตายนี่นี่หลักเดิมก็เป็นมาอย่างนี้ทีนี้เวลาพิจารณาเวทนาทำไมจิตจะตายแล้วทําไมเร า, เราถึงกลัวตายอะไรตาย ค้นหาความตายให้เห็นชัดเจนลงด้วยความจริงอีกเช่นเดียวกันจะไม่กลัวความตายเพราะความตายไม่มีมีแต่ความเจ็บสันปัญญากันธรรมดาตามโลกสมมุติก็ได้แก่อวิชันแหะพาโลกให้เป็นไปอย่างนี้พาโลกให้ตั้งชื่อทางโน้นก็นอย่างนี้ความจริงแล้วไม่มีอะไรตายพิจารณาลงไให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ไม่ตายจิตยิ่งเด่นยิ่งชัดขึ้นมาจิตผู้ ก, กลัวตายนั้นยิ่งเห็นชัดตัวเองขึ้นมาว่าโง่ที่สุดคำว่ากลัวตายนะั้นหรือจิตที่กลัวตายคือจิตโง่นะ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 คือจ ะ, จ, ะจะตายตามโลกสมมุตินั่นเนี่ยก็รู้อยู่ทุกระยะจนกระทั่งขาดออกจากกันเป็นวาลาสุดท้ายนี่รู้คือรู้อันหนึ่งรู้ที่สองรู้จนกระทั่งขณะกิเลส จ, จะขาดออกจากจิตไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยก็รู้รู้ถูกระยะจิตไม่เคยลดละความรู้รู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาอากาศอีโกแล้วจิตจะตายไปไหนถ้า เ, เศสศันให้มันเป็นอะไรอีก จะจะบไปจับไปยัดไปปัาชาเหมือนสิ่งทั้งหลายล่ะเหนือคิดไม่ใช่กองปา่าช้าให้เอาจิตนี้แบบพิจ น, นาสิมันั้นให้ชัดเจนแล้วเราจะได้เห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในวงแห่งการพิจารณาอยู่ในขันในธาตุนในขันอันนี้จะเป็นขันใดนก็าตามถ้าได้จอบกับิปัญญาลงไปจะเห็นชัดเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทุกเวทนาในวะในเวลาที่มันเกิดขึ้นมากๆหรือในวาราสุดท้าย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 ถ้ถูกปรับหมายใส่โทษนี่นี่คือถนุนหลวงลนั่นแหละคติธรรมน์นาอนจังทุกขังหน้าตาที่เต็มอยู่ในธ า, าตุในขันนี้แต่กองอนิจังทุกขังหน้าตาพิจนาให้เห็นตามเมื่ต่อยวางตามลำดับข้องมัแล้วเราก็จะมีความสุขความสบายพิจเดชทนานเป็นเครื่องหลอกลวงรงเป็นเครื่องให้ทุกข์เราถ้าแก้พิจเดชด้วยสติปัญญาแล้วจะหมดไปหมดไปไปความสุขความสบายความเห็นชอบความสว่างสวายจะเกิดขึ้นภายในจิตใจใจที่ดวงที่ว่ากลัวต า, ตายก็ตายใชหมดความกลัว แล้วจะมาเห็นโทษตัวเองและวํามือตัวเองว่าโอ้โหความกลัวตายมาทั้งเวลาหลายปีทั้งแต่จําจความได้จนกระทั้งถึงแบบนี้โคหกเราทั้งเพ่นะ่ะคนจริงๆแล้วความตายไม่มีมีแต่ความจริงเต็มตัวนะ่ะพิจารณาอย่างนี้เหี้ยนักรบต้องสู้เอาจนไทยชนะท้านักหลบแล้วก็มีแต่ลบหลบซ่อนซ่อนลบหลบหลีกหีกจะเอาความกินที่ไหนไม่ได้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 ไม่มีความเจตนาท่านพะรู้ตามความจริงแล้วตื่นอะไรความที่ตื่นก็ความไม่รู้จักความไม่รู้ความจริงนั่นเองถึงได้ตื่นตื่นมากตื่นน้อยตามความรู้มากรู้น้อยหรือหลงมากหลงน้อยต่างกันถ้ารู้ซะจริงจ ร, งรอบภายในจิตใจตลอดตัวถึงแล้วจะไม่ตื่นเรื่องความเป็นความตายเสมอการผสมกับธาตุทั้งสีเอามาจากไหนก็ออกมาจากของมีอยู่ดินน้ำลมไฟเป็นของมีอยู่ในโลกเนี่ย ผสมกันเข้ามาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายจิตก็เป็นของที่มีอยู่เนี่ยเขาไปอาศัยสิ่งนี้แล้วก็ถือกามสิทธิ์ว่าเป็นเราเป็นของเราเวลาสลาแต่แล้วจะไปไหนก็ลงไปท่าตุสิ้นหน้าลงไปของเขาตามเดิมจิตก็เป็นจิตจะเป็นอะไรไปอีกถ้าจิตบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมทั้งแท่งเท่านั้นเราให้ชื่อว่าธรรมทั้งดวงก็ได้ธรรมทั้งแท่งก็ถูกจเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้ไม่มีไม่มีความต้องกาอะไรให้การให้ชื่อให้นามขอให้ถึงความจริงด้วยประจักษ์ใจเท่านั้นเป็นที่พอ อายุชื่อเหลน้ำไม่จำเป็นในชั้นนั้นชั้นนี้ว่าไม่ทั้นั้นก็ตามเถอะเหมือนอย่างเรารับทานอิ่มเต็มที่แล้วเวลานี้เราได้ชั้นไหนในการรับทานไม่ต้องไปถามให้ชรย์นักภูมิมันเต็มพุมิแล้วก็อยู่่านั้นเองหรือว่าไงฝืนรับทานไปได้เหรือมันพอดีแล้วก็รู้นี่จิตเมื่อมันถึงความพอตัวแล้วก็รู้ทําไมจะไม่รู้สันทิฏโกพระรุจ่าไม่ทรงผูกข า, มามดมอบให้ผู้ปฏิบัติดูเองนั่นเองด้วยตัวเองทั้งนั้น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 ไฟทั้งกองนี้แล้วเราก็อยู่ในท้ากลางแห่งกลองไฟด้วยความสุขสบายของเราเนี่ยมีจิตดวงเดียวเท่านี้ที่เป็นตัวเหตุสําคัญเพราะสิ่งที่จะเป็นตัวเหตุมันบังคับบัญชาอยู่ภายในนั้นโดยลําดับลำดั บ, ดบถ้าเอาสิ่งที่เป็นที่เป็นภยัยซึ่งอยู่ในดวงใจหรือโดยในหัวใจนั้นออกได้หมดด้วยสติปัญญาแล้วช้ามายฮเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีความหมายอะไรเรื่องเป็นเรื่องตายก็เรื่องความเปลี่ยนแปลงของธาตุเท่ า, ทานั้นเอง คิดแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามแล้วมีอะไรจะเป็นทุกข์เราแสนสบายอยู่ที่ดีให้พากันพิจารณาเอาชัยชนะในจิตใจของเราให้ได้แพ้เราเคยแพ้มานานแล้วเกิดผลประโยชน์อะไรผลประโยชน์แห่งความแพ้ก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากผลที่เกิดขึ้นจากชัยชนะจะเป็นอย่างไรเอาให้เห็นเลยพระรพุทธเจ้าประเสริฐด้วยความชนะสาวกทั้งหลายท่านป ร, ระเสริฐด้วยความชนาขี้เล็อยู่เหนืออํานาจของกิ้เหล็กเหนืออานาจของขี้เล็กนะ เราอยู่ใต้านาจชีเลตมีความทุกข์แค่ไหนเราทราบด้วยกันทุกคนเอาพยายามเหนืออํานาจของความรุ่งหลวงเหล่านี้เราจะมีความสุขแค่ไหนไม่ต้องไปถามใครสันติโกจะประกาศขึ้นอย่างเต็มตัวภายใ จ, จิตใจขอให้นํามาปฏิบัติทําเหล่านี้อยู่กับใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามันครอบหัวใจอยู่ลอกหัวใจตลอดเวลามันออกหน้าออกตาอย่างออกหน้าออกตาเท่านั้นคนเราจรึงออกหน้าออกตาตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มไปหมดในโลก ความจริงออกหน้าออกตาไม่ได้เพราะอันนี้มีอานาจมากกว่าแล้วพยายามแก้ไขอันนี้ออกให้หมดจิตที่เป็นธรรมทั้งดวงนั้นจะได้ออกหน้าออกตาสว่างอาจะแก่งครอบโลกธ า, ศาตุไปหมดนี่เป็นอํานาจของจิตของธรรมแท้อลิกอํานาจของกิเลสอํนาน้ำกิเลสมีมากเท่าไรทําโลกให้เดือดร้อนมากตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเมื่อจิตปราบกิเลสตัวเป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วกลาเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาแล้วตัวข้อเย็นโลกก็เย็นเย็นไปหมดน่ะเอาละ 这个叫变跟。